ถึงอย่างนั้นองค์ท่านกรเลยมาเป็นาศาสตาจารของพวกเราแทนที่ไว้จะตายไม่ต า, ายแต่พวกเราถึงจะเคร่งสัพเพียงไหนก็ตามไม่เที่ยวพอประโลมปรสาราการปฏิบัติเคร่งในปัจจุบันก็ถือกับว่าพอใช้ได้ในทางพุทธกาลถ้าทําการญในปฏิปทาขณะการในปัจจุบันพอเรีมัชฌิมาปฏิปทาในปัจจุบัน ก็เท่ากับว่าจวนจะพอใช้ได้ในทังพุทธการถ้าว่าย่อนมากก็เลวมากในรั้งพุทธการไม่ได้แช่แล้วขัง้งพุทธการเดินจยกรมจนเท้าแตกก็ว่าเค่เกินไปให้ยอดลงกว่านั้นเน้อแต่วพวกเราเดินไปชนเห็นเพราะตนไม่มีสติก็ว่าเคร่งใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> นึง่ง เราบอกเราว่าศาสดาเดินวันละหกิโยดก็เดินเดินวันวันวันละวันลรกสามวันลกสามสามสิบกิโลโยดหนึ่งสีร้อยเส้นสองวันละโยดก็เดินแต่พะเขาขี่รถก็่าเหนื่ไย จะตายแล้วทางจากจากจังหวัดไปหาจากกรุงเทพฯไปหาแต่ละกลุงมละกุ่มก็ทาง60โยแต่ก <tem> ่อนก็ข้้งก่าเดิ่อนอย่างนั้นแ่ะไม่ได้ขี่รถขี่เรือเหมือนพวกเราพวกเราขี่รถมาก็ว่าลำบากแกตายแล้วหน้าเหี่ยว อดอาหารไม่ได้ต้องเอาให้มันอิ่มอยู่อย่างนั้นแหละต้องเลี้ยงมันไว้ให้กลับตัวบ้านกิเลสพระบรมศาสดาอดเอาชาติกษระย์บพวกเราไม่ใช่ชาติกษัตริย์แต่มันไกลกันมันกระบรมศาสดาพวกเราพระก็ไกลเหมือนกันแต่ว่าโยมไกลมันก็ไม่เหมือนพระไกลเราอันพระไกลมันน่าเกียดท้่เกิดโยมไกลมันพอพอปาะทังประท พวกคารวาสมนมีหลายวา่าพวกพระของเราบวชมาแล้วเหนื่อยก็เหีหเ่ยวอาหารเหนื่อยก็เหิห่ยวอันนั้นอันนี้เมืนกันนึกละอายเหมือนกันแต่พวกคารวาเพราะมีงานหลายอยา่างเราก็ไม่เอามาเทียบกับพระหรอกเที่ยงไว้คุ ณ, คณสีอย่างนี้มีมมบริบูรแล้วอาชักนํามง ค, คลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย ผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็สามอย่างหนึ่งอินทรีสังวรสํารวมอินทรีหกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยหนดีเนลายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมลิถูกต้องอตพระร้วยกายรู้ธรรมมาลงมร้วยใจ 2. สองโพชเีมะตัญญุกตารู้จักประมาณในการกินอาหาร แต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามศาสตร์อนยารโยปประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่รับมากนะักศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปริยพิเยนมรรประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติะระลึก ช, ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้เราตั้งไว้ที่ใดก็เสีเนียกไว้ที่นั้นอยให้เผอถ้าเผอแล้วกระเด็นมาเช่นลมหายใจเข้าหาใจออกเป็นต้นจะให้ทับเตะถ้าเราไม่มีสติเราไม่ ตั้งไว้ในธรรมทานที่เรากําหนดไว้ก็เรียกว่าทับแต่ต้องพิจารณาอยู่ในมือต้องบริกรรมอยู่ในมือบริกรรมแปลว่ากํากับอยู่เจ้าบริกรรมเมื่อบริกรรมไม่พออุปาะจารสมาธิก็ไม่ปรากฏเมื่ออุปจารสมาธิไม่ปรากฏัับอปันนาสมาธิก็ไม่ปรากฏัับเหมืนกัน บริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมมุพะตาลาภาวนาภาวนาเป็นมุพะตาอปนาภาวนาภาวนาเป็นอภปนาอภปนาคือพระคือปฐมฌานนั <ta> ่นเองฌานแปลว่าเพ่งอยู่ในกรรมฐานทด่ตั้งไว้สมาธิแปลว่าตั้งมั่นในกรรมฐานทด่ตั้งไว้ภาวนาแปลว่าทำให้เกิดแค่มีในกรรมฐานทด่ตั้งไว้ก็มีความอันเวหมายอันเดียวกันส่วนนี้ปัจจนาภาวนา ก็ต้องอาศัยหลักสมถะภาวนาแน่ๆเสียก่อนจับเอาตัวหลักสมถะนั่นเองเป็นวิปัสนาเป็นปัญญาเพราะสมถะที่เราตั้งไว้เช่นลมหายใจเขาออกเป็นต้นก็ลมหาใจเข้าออกก็เกิดแปรดับเป็นเหมือนกันก็เป็นแต่สภาวะลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นเป็นวิปัสนาภาวนาใจก็เป็นแต่สภาวะใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เสียงเพียงสักว่าใจ ใจที่พิจงงารณากรรมฐานานั้นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาปัญญาเหมือนกันธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มาเกิดกับใจในเวลาที่เพ่งอยู่นะั้นก็เป็นรัตตวะธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตอนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัสสนาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มาเกิดกับใจก็เหมือนกันโดยใจความก็คือจักไม่ให้มีอุปปาทานอยู่ในทนี่นั้น แต่ไม่ยึดมั่นถือมันอยู่เลยที่นั่นแต่ให้รู้ตามเป็นจริงปัญญาสอนให้รู้ว่ตามเนจริงแห่งกองสังขารสังขารมีมากเท่าไรก็ให้รู้ว่ตามเป็นจริงของสังขารเหมันปัญญากรรมฐานเดิมที่เราทําให้เป็นสังขารที่ไม่ก็เป็นสังขานอยู่เพราะเป็นรูปสังขารพอเราเราเหนี่ยวรูปมาเป็นอารมณ์รูปสังขารนั่นเองที่เราตั้งไว้กรรมฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองมันเป็นรอยปัจนา มันเป็นตัวปัญญามันเป็นตัวสมาธิมันเป็นตัวปัญญาเหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นเองดับเองเหมือนกันเกิดขึ้นเป็นดับเป็นเหมือนกันสิงนี้ที่ตั้งไว้ได้สิ่นั้นก็แปรปวนได้ดับได้เหมือนกันหมดกําลังก็ถอนออกมาก็นั่นเองคือสังขารเราย่นสังขารลงมาเป็นอันหนึ่งแล้วก็ย่นสมาธิลงมาเป็นอันหนึ่งเหมือนกัน สภาพสังขารเราก็ื่อนมาเป็นเอคสังขารในปัจจุบันที่สมาธิเราตั้งไว้แล้วนั่นเองสมาธิที่เราตั้งนั่นเองเป็นตัวสังขารเพราะมดเามันก็สอนออกมาให้อะไรเป็นทานก็ไม่ต้องให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานขณะทานทั้งปวงให้ทําเป็นทานขณะทานทั้งปวงเป็นห่วงบุตรทิดาเกรงไหวาาจะปฏิบัติไม่ชอบทำ เป็นห่วงบุธีนาเกรงว่าจะไปประเทศญี่ปุ่นอย่าพากันไปประเทศญี่ปุ่นเนะอะประเทศญี่ปุ่นนั้นไปจะโดนดาบต า, ายนะไตโลกระามันเต็มไปด้วยดินน้าไฟลมมีน้าไฟลมไม่อยู่ในไตโลกระทา สิ่งที่เป็นลูกขันเรียกว่าดินนาำไฟลมสิ่งที่เป็นน้ำขันก็เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสรรพโลกทั้งปวงบรรจุแต่ลูกขันนามขันเท่านั้นลูกขันนามขันก็จได้อํน า, านาจอนิจจ์เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายเท่านั้นมีลูกไม้เท่านั้นเราจงรู้ามเป็นจริงเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องรู้มาก ร so, like yeah, an well. ู้ทางเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อก็จะหน่ายก็จะคลายก็จะหลุดก็จะพ้นจากความหลงของตนที่เคยหลงมาเราหลงอยู่เดียวนี้หลงของหลงของที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงหลงของที่เป็นทุกข์มาเป็นของถูกหลงของที่ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นของตัวตนหลงของที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือสกุลร่างกายของเรานี่แหละ เช่เรียกว่าเราเร า, เราเขาเขาทั้งท่านเช่เรียกว่าเราเราขาเขาทั้งท่านนั่นเองคือธาตุสีที่น้ำไฟลมคือกองนามลกูกนามแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปก็กมีดินน้ำไฟลมมาชมกันเป็นกายเรียกว่ารูปก็กมีเวทนาปัญญาสังสารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามนามลูกนี่เองที่จักเป็นโลก สัตวโลคโรคคือมูสัตว์ก็ดีโอกาสโลกโรคคือเป็นดินก็ดีมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ดีเทวะโลกได้แก่ขามาพุทธะหกขั้นก็ดีพรหมะโลกได้แก่รูปประภมในภพขั้นก็ดีและอรูปประภมสี่ขั้นก็ดีโลกทั้งหลายนี่ย่นลงมาเป็นสองมีรูปประโรกอรูประโลกเท่านั้นรูปประโรกและอรูประโรกโรคก็คือสังขารเราดีนี่เองสังขารลูกสังขารนาม ส, สังขารปรมารถค่ะส oh ังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็โลกเป็นทุกอย่างยิ่งอานิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งความเกิดแก่เกิบตายเป็นทุกอย่างยิ่งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันเราพิจารณาทุกก็คือพิจารณาใจโลกระท่าท่นเองเราพิจารณาอานิจจังก็คือพิจารณาใจโลกระท่าท่นเองเราพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็คือพิจารณาใจโลกระท่าท่านเอง ถ้าโดยแจ้งโดยแจ้งอันนี้เวลาเราพิจารณาจัดเป็นมรรคจับเป็นศีลจัดเป็นสมาธิจัด เ, เป็นปัญญาเมื่อเรารู้ตามเป็นจริงจับเป็นญานณทัศน์เมื่อเราเบื่อเราลายความหลงของเราที่เราเคยลงมาเรียกว่านิพพิทาเมื่อเราสิ้นกำหนับในโลกทั้งปวงเรียกว่าวิราคะเมื่อเราสิ้นกำหนับในโลกทั้งปวงเรียกว่าวิสุทธิเมื่อเรา เมื่อถึงวิสุทธิแล้วเป็นความบริสุทธิ์แล้วเขาเรียกวานิาพันแปลว่าเย็นดับสนิทไม่ได้เกี่ยวข้องในโลกทั้งปวงเพอรู้เท่ารู้ทำรู้มันรู้ตนพระนิพพานก็คือไม่เพินในโลกทั้งปวงก็คือเห็นโทษในโลกทั้งปวงอย่างเต็มที่เมื่อเห็นโทษในโลกทั้งปวงดังอย่างเต็ม ท, ที่แล้วก็ชนะความหลงของตอนอย่างเต็มที่อยู่ในตัวนะรำกายไม่ฆ่าสันรนัตทัพภูติในกามเรียกวิธารรมกาย ใจไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตอนเป็นชอบตามทำนองของทำไม่พยาบาทฟองใหไผู้อื่นเรียกว่าทำใจแต่ ว, ว่าทำอะไรอะไรมันก็เป็นทำใจหมดเพราะใจเป็นหัวหน้าทำกายทำวายกาทำนอกทำในทำไกลทำใกล้อติตธรรมอนาคตตธรรมอตีตารมนาธรรมะอนาค ต, ตามธรรมาปัจจุบันนามนาธรรมาก็ตามก็เป็นมโนกรรมเลยเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายของใจทั้งหลายของธรรมทั้งหลาย ม, มนกรรุกามนั่นเองเรี่กว่าทําก ano, halfway, ายทํากายเขาไม่พ้นทําใจเหมือนกันเพราะใจเป็นหัวหน้าทําจะทําดีก็หัวใจเป็นใจเป็นผู้ทําจะทําชั่วใจเป็นผู้ทําจะใส่ชื่อหรือนามไปที่ไหนก็ไม่พ้นใจหรอกดีเข้าใจเป็นผู้ทําชั่วเข้าใจเป็นผู้ทําแต่ว่าทํากายเขาเรีกแต่จะว่าแต่ว่าทําใจเขาเรีกแต่จะว่าจะว่านายทำนายแดงก็ใจเป็นผู้ว่าถูกไหมฮะธรรมกาย ออท่านกดใส่ชื่อนามของท่านเป็นทักเนพวกเฉยๆหรอกค่อยๆครับว่าพระมหากนิการจะรำยุนี่เองอันนั้นเป็นใส่ชื่อ น, น, ยนายดำนายแดงเฉยๆหรอกใครจะแค่ก็ทําอะไรก็ทําออกไปจากใจเท่านั้นละ่ะเออมีสองนิกายมีสองสายถูกอันนั้นใส่ชื่อรนามเฉยๆหรอกแต่ว่าอืราะเป็นจริงพราะบรมศาสดาไม่ได้ยืนยันว่า ทำกายเป็นสาวกของเราทําใจเป็นสาวกของเราสายของหลวงปู oh ่นะตัวนี้เป็นสาวกของเราพระบรมศาสดามันยืนยันพระบรมศาสดายืนยันว่าชุบถิปันโนพระกวาโตเศ้าสร้งโภบูชุบถิปันโนพระกวาโตเศ้าสร้างโภญาญาถิปันโนเศ้าพระกวาโตเศ้าสร้งโภ สาวิติปฏิปันโนพังกวะโตเศรา้าค่างโคนีน่เนอสาวกของพระบรมีพระภาคก่าวท่านยืนยันพระดัชนพระบรมาษาษาสารีรนาไม่ได้ยืนยันว่านี้กายนั้นนี่กายนี้เป็นสาวกของท่านทั่วคารวาเป็นสาวกของท่านได้เช่นนานวิสาขาก็เป็นสาวกาได้เพราะนานวิสาขาว่าเป็นพระสวสดาวันนะ แ, แต่เมื่อในโลกนิโรธสุกพระตอนหลังแล้วเขาเป็นหน้าบริบูรณ เขาไม่ถือสาระอื่นเข้าใจแล้วนะทีนี้เอ อ, อ, อคําชื่อไม่สาคัญหรอกคำชื่ อ, อ, อชื่อใดดำไงแดงก็ไม่สําคัญหรอกออส่วนผู้ปฏิบัติธรรมเป็ของสำคัญคําชื่อไม่สาคัญสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติคําชื่อว่าอาหารก็ไม่สําคัญอันนั้นก็อาหารอันนั้นก็แกงอันนั้นก็ อะไรต่ออะไรมันสากันมันสําคัญโดยที่เับเอาใส่ท่อมันทีมแล้วก็สาคัญละนถูกไหมอันนั้นเขาใส่ชื่อเือนาไม่ใช่เราทํากายทําใจทําอะไรก็ทําใจน่ะเพราะใจเป็นว่าหน้าธรรมบาปเพระใจพาธรรมบุญก็ใจใจพาธรรมมักกว่านิพพานเพราใจพาธรรมแต่ว่าใส่ชื่อว่าทํากายท่านก็ชื่อใส่ชื่อว่าตามความชอบของท่าน แค่นายกรนายขอานายขอานายม อ, น, อห น, หนี่เองใครชอรบใส่ชื่อยังไงก็ใส่ชื่อแต่ความจริงไม่อยู่อยู่กับคํำชื่อหรอกอยู่กับรถธรรมะของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองผู้ปฏิบัติรอบรู้เองเห็นเองเป็นสันทิฏฐิกโกบงโอเห็นเองผู้ใดปฏิบัติเองปฏิบัติเที่ยวคนนั้นเป็นผู้เห็นเองคนอื่นจะเห็นแทนไม่ได้ สิ่งไหนที่ทําแล้วเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ควรทําผู้นั้นต้องเห็นเองสิ่งไหที่ทําแล้วไมาเดือดร้อนตัวได้ก็ต้องเห็นเองคิดเกลือก็เป็นผู้เห็นเองเกลือมันเชื่อมขนาดไหจะถามเฉยๆไม่คิดก็ไม่รู้จักต้องคิดดูว่าเออเกลือมันเป็นอย่างนั้นพลิกมันเป็นอย่างนั้นด่งทีเป็นอย่างนั้นเป็นด้วยสุขภาพของเราก็มี บางทีสุขภาพของเราไม่เป็นที่สบายมันก็ไม่ได้ดังความประสงค์บางทีจิตของเราจุกจุกเกีกยกับเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วมันไม่เข้าหาที่ของมาันมันก็เป็นแต่จะให้มันเสมอมือนมันไม่เป็นหรอกเดียวเมื่อเก่ามันก็ไม่เสมอแล้วมันก็ขึ้นลงๆได้นอนก็ได้เหมือนกัน หลวงปู่ก็นอนภาวนานแล้วทุกวันนี่ไม่ได้เลยนั่งเราถ้าตายก็ต้องนอนตายไม่ได้นั่งตายหลวงปู่นึกว่าจะนอนตายไม่ได้นั่งตายหรอกวิธีแก้ไขก็หนึง่งจิตของเราให้เชื่อของเราจิตของเราดีบด่วนมันก็ไม่อยู่เนอะเมื่อจิตของเรามระหลาดการจูกๆเก็กๆมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่อยู่เหมือนกัน มันสาคัญที่จิตของเราในศรัทธาให้แนวแน่และตั้งมั่นและมีความเพียรด้วยมีความอุตสาด้วยใช้ปัญญาด้วยถ้าความเพียรมา ก, ก็ไม่ได้ศรัทธาก็ต้องมากบ้างความเพียรก็ต้องมากบ้างศรัทธาความเชื่อก็ให้เสมอกันวิริยะความเพียรก็ให้เสมอกันสติก็ให้เสมอกัน สมาธิความตั้มั่นคอยเสมอต้นปัญญาความรู้คอยเสมอต้นจะให้หนักอันใดอันหนึ่งถ้าหนะักปัญญาเกินไปเขาฟุงา้งซ่านมันค่มขืนค่มขืนในเรื่องอดีตที่ไม่สมปรสงค์ใช่ไหมเออเรื่องครอบครัวเข้าใจเข้าใจเข้าใจเรื่องครอบครัวมันสําคัญมากเรื่องครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเอา้าถ้าอย่างนั้น มันเล่นสมาธิมาได้ก็ต้องเล่นปัญญาสิทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สมประสงค์ถ้ามันสมประสงค์อยู่ในโลกเยพระอรหันต์ก็ไม่เข้าสู่พระนิพพานละพระอรหันต์ไม่เห็นสิ่งที่มันสมประสงค์เล ย, เลยจึงยอมเข้าสู่พระนิพพานจึงยอมยอมเบื่อหน่ายโลกเพราะสิ่งทุกเก่งทุกอย่างมันไม่สมประสงค์ใครสมประสงค์บ้า ไม่มีใครสมประสงค์ในไตโกระธาตุก็มีแต่พระานจับพวกเดียว์ละสมประสงค์พระโวสดาบันสมประสงว่าพระกระคาถาคาเมงสมประสงคบ้างพระนาคาเมงก็สมประสงบ้างพระอรหันสมประสงคเต็มส่วนแล้วต่ํากว่านั้นลงมาไม่มีใครสมประสงคหรอกพระสมประสงค์ในการละที่เร็วจะให้สมประสงในอาวุธภายนอกขอมันไม่สมประสงคหรอกให้เข้าใจอย่างนั้นสกุลร่างายของเราเขาไม่สมประสงแก้มตอบฟันหนักอะไรต่ออะไรอสารพัดนอเก็บปวดปวดเล่า ของภายนอกมันยิ่งไกลแล้วไม่สมประสงค์หรอกเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแปลโวนแล้แปลสายไปนมันไม่ว่ามันจะรับประกันว่าจะสมประสงค์ของไกลแต่พวกเรามาสมัครถือเอาอันนั้นเป็นของครูอันนี้เป็นของครูแต่เมื่อมันไม่สมประสงค์เราก็เดือดร้อนเทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครสมประสงค์หรอกสมประสงค์แต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยลกทั้งปวงท่านจึงจะสมประสงค์ถ้าจะมีอะไรอาวรอยู่ก็ไม่สมประสงค์ละใครๆก็ถูกกันหมดเรื่องไม่สมประสงค์เลย เจอความผสมไม่สมประสงค์นะฮะพระรหัสนี่พวกเดียวสมผสงค์เพราะด้โลคนี่มันไม่ไม่สมผสงค์กับข้ามผู้ใดหรอกถ้าว่ามันมีสิ่งที่สมประสงค์อยู่าาเข้ามระเลียดงาเนี่ยพระรหัสงก้ามโรคไปไม่ได้พระรหัสงอไว้จะข้ามโลกข้ามความหลงเจ้าของไปได้แต่พระมันไม่สมผสง์เข้ามราะเลียดงาเลยเห็ฉนฉั้นจกงยอมเชียยอมชนะความหลงของตนใช่ไหมด้วยพระปัญญาเห็นชอบก็เลยข้ามความหลงของตนไปเสีย ไม่อะไรอยู่ในวัดตาสงสารต้องพวงถ้าหาว่าวัตาสงสารต้องพวงมันมีสิ่งที่สมประสงค์พระอทหารก็เข้าสู่พระนานรมาได้เพราะเวียนญาณเมตติสนที่จะปฏิทิตอยู่ที่นั้นนี่นี่นี่ด้านพันงาเนี่ยไม่ใช่สมาธิของพรตอเข้าใจแล้วนะสินี่นะใครสมประสงค์อะไรบ้างที่เกิดมานี่ไม่ไม่มีใครสมประสงค์ก็สมประสงค์แต่พระรหารแค่พวกเดียวเพราะท่านวางหมดแล้วเพราะท่านเห็นว่าสิ่งที่มันไม่สมประสงค์แลท่านเบื่อ ความไม่สงบนะมันเป็นยาวิเศษมันเป็นเหตุให้เบื่อเข้าใจไหมเออต้องไปแถวนั้ น, นต้องเอาปัญญาฆ่าสมาธิสู้มันไม่ไหวหรอกอืมทําให้พิจารณาอืมทําให้พิจารณาต้องพิจารณาปัญญาถ้าไม่เอาปัญญาสู้ไม่ไหวหรอกสมาธิสู้มันไม่ไหวสมาธิก็แค่สำลุงเพาะ แ, แ, แล้วเข้าไปลงเพาะเราไปลบกุ้งาศึก ตูตามลูกตามมาก็เข้าแต่ลูกเพราะเท่ลูกระเบิดก็ระบาดอมาก็เตะจะเจอนั่นสู้ปัญญาไม่ไหวหรอกสู้ปัญญาไม่ได้เอาปัญญาในเข้าสู้พิจารณาตามเป็นจริงตามเป็นจริงของสังขารปัญญาเราลูกตามสังขารตามเป็นจริงอย่างไรสังขารมันเป็นจริงในเกิดในดับไม่สมประสงค์กับท่านผู้ใดเลยมันไม่ยืนยันว่าจะประสงค์ประสงค์มันไม่ยืนยันว่าจะ ส, ส, สมประสงค์กับทพวกไปโลกภาพ มันไม่ย็นเนี่ยนว่จะผสมผสมกับใครนอกจากเราจะรู้ตามมาเองแล้วก็ปล่อยวางานะต้องเสียน้าตาละแต่เราเสียน้าตาที่ไม่สมประสงมมานี่น่นมากกว่ามหาสมุทรสีมหาสมุท ร, รเน อ, อทุกๆุท่านทุก ท, ก, ท, ก, ทกคนละเอา้ากระดูกของเราที่ไม่สมประสงมอยู่ในโลกอนี้มากกว่าภูเขาีิมาลายมันไม่สมประสงค์ดอกในไตยโลกชาติเนี่ยใครจะมาหา ใครจะไม่รีดพิเดษสเพียงในก็ตามจะมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารให้มันสมประสงค์มันไม่สมประสงคหรอกอืมันไม่สมประสงค์การท่องเที่ยวในวัดตาสงสารไม่มีใครเข้าพระบรมศาลาหรอกมันไม่สมประสง์ถ้าจิงลานี้ไปซักน่ะลาความหลงของเจ้าของเอาความฉลาดออกหน้ายอมแล้ยกตรงขาวต่อวัดตาสงสารไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้พลาออกนี้จากสังคมไม่เข้า สังคมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สมประสงค์ของท่านผู้ใดเลยในใจลกธาตุฮะสุขในสมาธิมันก็เท่ากับว่าชั่วข่าวนั่นเองเดี๋ยวมันก็หมดกำลังมันก็ถอนออกมาสมาธิแต่ละท่างมั่นตั้งมั่นอยู่ในกองนามรูปตั้งมั่นอยู่ในการเพ่งกัดนิ้ แต่มันก็ถอนออกมาเองเหมือนกันแม่นิโรธสมาวัตมันก็จุดใจอันาจอันนิจังเข้าไปได้เก็บวัทนท่านผู้เข้าได้แต่มันก็ถอนออกมานักเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นอานิจังมันละเอียดสมาธิเป็นอานิจังมันละเอียดเน้เอจะเข้าไปดีนนเนี่ยเรียนตะเพียงไหนก็ถอนต้องถอนออกมาเหตุฉะนั้นชัดจึงเบื่อหนอยายครายเมาในวันตายสงสารท่านผู้อ เช่นนั้นพระบรมศาสารีรากิจไม่ได้ติดอยู่ในสมาธิอเนิชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนิชาไม่ได้ติดอเนิชาคือความไม่หวั่นไหวในสังขารปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนิชาพิสังขารอภิสังขารคืออเมเนนชาพระบรมศาสารีรานี้หรือพระอริยสาวกไม่ได้ติดอยู่รู้ตามมันจริงของบุญรู้ตามมันจริงของบาปรู้ตามมันจริงของสมาธิสมาบัติเขาก็ปล่อยวางเท่านั้นสอนให้รู้ตามมันจริงไม่ได้สอนให้หอกแค่ปฏิภาย ใช่ผ้ตามจริงแล้วก็ปล่อยวางนะมันปล่อยวางมันเองเมื่อมันไม่สมประสงค์มันก็ปล่อยวางมันเองมันปล่อยวางมันก็ว่างเลยมันติดของของของท่านมันก็ว่างเลยมีน้ําำซ้ำจิตของท่านท่านเขามายึดถือไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลผู้ชนิดใดใดท่านเขามันยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหตุฉะนั้นมันจึงวางอยู่ในตัวมันจึงไม่มีอุปทานอยู่ในตัวความอะไรจึงไม่มีความกังวลจึงไม่มี กังวลอะไรกังวลกับสิ่งที่ไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิมันไม่สมประสงค์เรากขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่สมประสงค์แล้วก็เลยตัดความกังวลความกังวลไปไม่มีในที่ใดที่นั่นแหละคือพระนิพพานะอืถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เบื่อหน่ายถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่เบื่อหน่มันอุปสรรคเต็มโลกมันจึงเบื่อหน่ายโลกถ้าโลกไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่มีคนทานจะเบื่อหน่ายโลก ลโลกคนเต็มไปด้วยอุปสรรคเออฮึ่มดนั่นมันเบื่อละเบื่อเจ้าของเองเบื่อเจ้าของที่เคยไปหลงมาเองไม่ได้เบือบ่อโลกเบื่อโลกเราจะไปทำลายมาันไม่ได้ ทำลายคนหลงเจ้าของนันเรียกว่าเบื่อความหลงจที่เจ้าของไปหลงโลกเบื่อความหลงของเจ้าของที่เจ้าของเคยไปหลงอันนี้จำทุกคั้งอันนั้นตายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองทำมาให้เป็นเป็นของว่างอธิแท้ของสักพวงมันว่างอยู่ไม่มีเจ้าของเจียแล้วแต่เราไปทําให้มันว่างเราไปถือไปยึดถือเอาว่ากูของกูนี่สําคัญมากเมื่อกูของกูไม่มีอยู่ในโลกแล้วมันก็ว่างแล้เหตุที่มันไม่สมประสงค์กเพราะว่าของกู ถ้ามายืนยันว่าของครูแล้วมันประสงค์ประสงค์ทานั้นโอ้เพราะเราพิจารณายังไม่พอกิเลสมันยังหมอบอยู่มันยังไม่ยอมเรากิเลสเมื่อมันลุกขึ้นได้มันก็เอาเถอะเอาเถอะมันก็มากระซิบที่หูเราถ้าเราข้าวมันยังไม่ตายความหลงของเรายังมีอํานาจถ้าความหลงของเราหมดอํานาจแล้วมันทำไมมาให้เราหลงล่ะ ปัญญาของเราปัญญาของเราต่ำกว่าความหลงความหลงก็ต้องมีอำนาจว่าถ้าปัญญาของเราเหนือความหลงรับความหลงก็เด่นไม่ได้ล่ะปัญญาทะนั้นจะชนะความหลงศีลก็เคลื่อนขึ้นไปเป็นเมืองขึ้นของปัญญาสมาธิก็เคลื่อนไปเป็นเมืองขึ้นของปัญญาปัญญาเป็นนายหน้าทุกท่านปัญญาเป็นนายหน้าทุกท่านท่านพระสุวดรบันกงมีปัญญาเป็นนายหน้า ฉันพระจักรพรรดินนะ์ก็มีปัญญาเป็นในหนนะ้าฉันอาณามักรก็มีปัญญาเป็นในหนนะ้าฉันพระหัตถ์ก็มีปัญญาเป็นในหนนะ้าเป็นในหน้าปัญญาต้องเป็นนหนนะ้าของธรรมทุกหมวดจนถึงมะขุนยิปานถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็แตกกระเจอเขไปหมดแล้วไม่มีอะไรแลร้วทีนี้เพราชนะความหลงชนะตนก็คือชนะความหลงนั่นเองนะครับ ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี่ปฏิบัติเพื่อช ะ, ะความหลงไม่ใช่พ่อคูนความหลงเจ้าม่พม่าโ ล, โลมาแก่มาแค่มาตายอีกถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นสวรรค์สิภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิเมื่อเขาเห็นความไม่เที่ยงในวัดตาทรงศารเสมอหน้าครองแล้วก็ท่ากับว่าเขาเห็นสวรรค์นิพพานเท่ากับว่าเขาเห็นนรกท่ากับว่าเขาเห็นสวรรค์ เ ข, เ, ขเขาเขาาบอว่าเขาเห็นทั่วทางไปโลกทานแล้วถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นสวรรค์สิเขาเห็นแล้วสวรรค์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนฉะนั้นเขาจึงไม่ยินดีในสวรรค์นนะโลกก็เหมือนกันรบับกิริานก็เหมือนกันอะไรอะไรทั้งหมดก็เหมือนกันเพราะพิจารณาทองแท้แล้วเหตุฉะนั้นจึงไม่อะไรในโลกทังปวงสิ่งเหล่านี้เป็นของไข่ ก็เป็นเศษกระดาษของพระพุทธประธรรมประสงค์ใช่ไหมเนี่ยเป็นน้ำลายของพระพุทธประธรรมประสงค์ใช่ไหมเนี่ยนะหมูนี่หมูนี้หมูนี่หมูนี่หมูนี่หมูนี่หมูนี่หมูนี่สองหมื่นสามหมื่นับเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันนั่นก็เป็นน้าลายของพระพุทธประธรรมประสงค์ผูู้ท่านพ้นไปแล้ว่ะท่านไม่มาเป็นคู่แย่งกับพวกเราเข้าใจไหมมีแต่พวกเราแหะมาแย่งกันอยู่นี่อืเหมือนหมูนอน พวเราพวกในใจโลกธาตุมันไม่สมประสง์หรอกพระรยาเจ้าจึงไปถ้ามันสมประสงค์ใครจะไปได้เขาเป็นเปรตเฝ้ากันอยู่นี่เรหมดเลยสิ่งที่ไม่สมประสงค์มันเป็นอาการเทศให้เราเกล็ดลาบ าสาซาตแล้ว ก, ไว ก, ก, ไก็ไปทานให้พะะะหระแล้วก็แล้วเราไปรอมาทานให้พระปะเขาบอ่ไม่ร เ, เขายังไม่ถึงสวรรค์ถูกบางจำพวกออกมาลงนรกคำว่า น, า ร, ก น, น, นารกในที่นี้นรกในที่นี้นะถ้าจะพูด ตามทําละเอียดแล้วนะสัะไตรโลกาธาตุเป็นนรกของพหรหลานพรหลานถือว่าเป็นนรกเพราะมันรกอยู่กับกิเลสไม่เกิดไม่เก่ยวไม่เ ก, มเ ก, มเกิมีตายในไตรโลกาธาตุเป็นนรกของพหรหลานแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นนรกของพวกเราพอเราเห็นว่ามันพอกินพอใช้พออยู่พอไปอยู่พวกเราอย่างนั้นเพราะพวกเรา ติดอยู่แล้วติดด้วยความชินเคยเพราะยังไม่เคล็ดลาบความเคล็ดลาบยังไม่พอยังเห็นว่าเหลี่ยมนั้นมันจะเป็นสุกเหลี่ยมนี้มันจะเป็นศุกโ์อยู่ยังหาเหลี่ยมเป็นสุกร์อยู่พระน au, ิจเจ้ามาได้หาเหลี่ยมเป็นสุกในวัฏสงสารเลยเห็นทุกเสมอหน้ากองเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นทุกเห็นกองทุกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอภาคกันเลย ทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งกราบทั้งละเอียดด้วยไม่ในเหตุนั้นจึงยอมไม่ไม่ไม่ยอมจะยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมกุลเพราะเห็นแต่ความทุกข์ดังฉะนั้นจิตของท่านก็จึงว่าทำของท่านก็เป็นของว่างไปหมดทำก็ส่งคืนให้ทำจิตก็ส่งคืนให้จิตโลกก็ส่งคืนให้โรกผู้เห็นก็ส่งคืนให้ผู้เห็นแหละอ น, นิจจังก็ส่งคืนให้อนจิจจังทุกครั้งก็ส่งคืนให้ทุกขงังอนัตตา ก, ก็ส่งคืนให้อนัตตา ไ ม, ไ, มไม่สำคัญตัวเป็นอนิจจังไม่สาคัญตัวเป็นทุกขังไม่สําคัญตัวเป็นอนัตตาไม่สำคัญว่าไม่สําคัญว่าอนิจจังเป็นตนตนเป็นอนาาิจจังไม่สําคัญว่าทุกขังเป็นตนตนเป็นทุกขังไม่สําคัญว่าอนัตตาเป็นตนตนเป็นอนาัตตาไม่สําคัญว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกเมื่อรู้เท่าเจ้าของแล้วมันก็ว่างไปหมดเลยนี่วิญญาณาติสนธิของท่านเขามีมีมถ้าเขาเข้าสู่เขาจะผ่านไปนะถ้าไม่สําคัญว่าท่านสวยใดๆทั้งสนะิ่นนัก แล้สังฆทานมันมีอยู่หลายอย่างสังฆทานทักขีนาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่ใช่ฝ่ายปฏิฆาหกทักขีณาบางอย่างบริสุทธิ์สุดฝ่ายปฏิฆาหกไม่ใช่ฝ่ายทายกทักขินาทานบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทักขีนาวางอย่างบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายเราทําบุญอุทิศหาผู้ตาย ผู้ตายท่านไปเป็นสัตว์ที่ระชาแล้วผู้ตายก็มาได้รับท่านไปเมืองสวรรค์แล้วท่านผู้ตายก็มาได้รับถ้าท่านไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระฉ า, าหรือในนรกท่านก็มไม่รับสักพวกที่จะได้รับอเนกสงของยอดเม็ดและ ล, ลูกลูกและหลานที่ทำประหาเนี่ย คณะสัตถาที่ทำปะหาก็มีเพศจำพวกเดียวพวกสำเพอสีเพศเพดพวกสำเพอสีคือเพศเป็นพวกเบาเล้วผู้แสวงหาที่เกิดผู้แสวงหารับกุศลผลบุญอยู่เพดนอกนั่นไม่ได้รับจะให้ทานสักเพียงใดก็ไม่ได้รับเมื่อไม่ได้รับจะไปไหนก็มาหาผู้ให้ทานเขาได้รับก็ดีเขาไม่ได้รับก็ดีพวกนั่นก็ปฏิทานอำไมาเพื่อเฉลี่ย ด, ด้วยการให้ส่วนบุญพวกเราก็ได้รับอยู่ เขจะได้รับหรือเขาไม่ได้รับพวกเราก็ท่วมไม่เสียแลงไม่เสียเราก็ต้องได้รับอยู่เพราะปฏิฐานธารมะมูลสัมผัสโดยการให้สนบุญมีอยู่ปัตตาโนโมธนรมะมูลสัมผัสโดยการอนโมธนาสนบุญก็มีอยู่แต่พวกชาวไทยเราได้รับหรือไม่รับก็ตามก็ต้องทําตามทำเนียมของประเพณีของชาวพุทธถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นที่สบายจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องทํานี่ปัญหาเขามาทําเหตุฉะนั้น จึงไม่หวังให้ท่านผอื่นทำบุญให้เรามีอะไรเราเรียบทํามแทมีชีวิตก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่าท่านเป็นเตจสัมภเวสีน่ะเออถ้าท่านถามหาหมอนก็หมอนให้ซักอืม <idée> หมดแล้วป่ะไปลงไปพักสิพวกพวกพววกพวกประทัดข้างางก็มีใช่ไหมพวกระทัดข้างล่างก็มีใช่ไหมกลาเออเออนองนั o นมาเ้าหมดหมดเดียวดีพี่ไปห้องน้าด้วยกกันหมดแล้วหรือยัง หมดแ ล, ลด้ว ล, ลูกหมดแล้วต้องบอกกันเนอะอะไปห้องน้าได้นอนไหมละ่ะได้ทักได้รับไหมละ่ะเมื่อคืนนี่ดับดับรับบนรถเท ว, ว, วดาอินทร็มพยอมพระการจตุ ร, ร, รุกบานสถิตเจ้าไปโรก่า อันหาประมาไม่ได้คนมาเพื่อพระธรรมสู์ทรงบันดน า, นาลพวกลูกลูกหลานมีความสุขความเจริญจะไม่มีอันตรายใด ท, ทั้งสิ้นอยู่ทุกเมื่อหรือทั้ ง, ท, นนงทั้งไตรโลกาทุกขนาคเถิดคนจะแตกสลายไปความสวยอารมุณทุกทุกอุเบกขาอันเดียวกั น, ม น, มนไม่มีแนี้อาม่ชักแน่ไม่แต่แนวเก่าเห็นอยู่เสมอความนึกความคิดกับเป็นของเก่า ว่ามันของมันจะใช้เนื้อก็นึกนั่นเนื้วก็นึกนี่เนื้ขาความสุขของมันเมื่อมันบริห็นต์กับนึกกล้องแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าความสุขเป็นเครื่องสันจรของโลกถ้าเนื้อไปทั้งบุญก็เป็นกุศลขเนึกไปทา้งวาปก็เป็นอกุศลวนเวียนด้วยสัตว์ไดวัตตาทุงศารอนไ้ก็มีข้างหนาข้างหลัง ความวนเวียนผลของผลลับของมันมาอย่างก็คือทุกข์เกล้าดีๆนี่เองแต่มันค่อยชินแล้วมันก็เลยสูญไปค่อยชินทุกข์ล้วถือเป็นของธรรมดากัเป็นของธรรมดาทุกข์กันเองว่ามันธรมธรมดาอะธรรมดาหลงอีกเท่าไหร่ไหมธรรมดาคุณเสื่องอีกเท่าไหร่ไหมธรรมดาคุณเสื่องไม่ว่าตาท้องซาน พระอนิจจัเจ้าทั้งหลายันเป็นธรรมดาลุตพลไปแล้วไปเป็นตนจอนพระสวัสดิบาลรุตลุตพ ล, ลเป็นธรรมดาลุตพลไปเป็นจอนสันที่หนึ่งสันตนุสันต้าไปอีกข้ากระท่าข้าม่ัก็เป็นธรรมดาอนุตพลไปอีกอันนาข้าไม่กัก็เป็นธรรมดาอนุโมีโรบไม่โกรธพระอรหันต์กับธรรมดาอนุโมทโรบไม่โกรธไม่ร้อง ตามขนาดโลกวาเป็นธรรมดาทั้งสาระทุกเป็นธรรมชาติทั้งสาระทุกโงกนวันจะเดินออกไร่เดินวัดเดินเวียนในขอบกระด้งขอบกระดงเครื่องยังคือความหลงส่ข้องที่ยังยั่งยึดถือมาถือยึดถือความมาะพฤตปฏิบัติต่ของยังมาถือยังหลุดยังค้ำเนี ผู้เทงว่าพูดพระธรรมพระสงค์นาเดียวแล้วครับวมีความสงสัยในเจ้าของกับผู้นั่งพรลูกค่ำผู้นั้งผู้นั่งไม่นาทีสิบเพื่อพูดกุศลพ้นบุญเจ้าของเพื่อพูนตอนไหนกับว่าสงสัยพื่อมเพิ่มพูนตอนพระวนากับว่าสงสัยเพื่อพูนตอนให้ท่านนักท้าทินเพื่อกรบอกว่าสงสัยคนตามกันลง่ากระต่อสงสัยแหละอันไรก็อะไอก็ย่อ แหงหาแหงหาสักแหงผูเห็นเป็นผู้เห็นแล้วขาบอกเลหาเห็นยังไ้สติปัญญาเห็นยังได้คิดได้ใจของเฮานี่เวลาที่เกิดพราะแห้งเวลาที่เก็บพราะแห้งเวลาที่ตายเพราะแห้งเวนาทีโรคโกดล้มเพอะแห้งใจถึงทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลคทั้งโกดทั้งหลงทั้งปัถนาไปสมหวังบาลทีใส่ใจถึงทั้งปฏิบัติเพื่อที่ออกจากสิ่งเหล่านี้ มีอิสรละเกิดแก่เก็บตายเพีงแห่งบานนี้ฉีมีอิสระไม่ยากว่าเกิดมาแก่มาเก็บมาตายว่าเนี่ยฉีมีอิทธิพลนทางนั้นบ้านเนี่ยสีเลียนอิทธิพลทัาง บ, ามา บ, าบา่มาเกิดแก่เก็บตายบ้าเนี่ยมาเกิดแก่เก็บตายเลี้ยนอิทธิพลนมาเพีแห่งแล้วอยู่ไปเทไรแหงเห็นอุปสรรคแหงเพิ่มค้อมเบือ่อหน่ายบรรดาท้องสารเขา่าตะระมือตะระเบนซีกระนับมือสวยมือแหลมเขา่า นับมื่อเป็นธรามเทศนาเขา่าออใกล้เขา่าใกลเขา่าจนมุมเขา่าจนมุมเขา่าจนมุมเขา่าอะไรห้างเป็นธรรมเทศนาอันแ ก, กน้กล้าโมยกม่าทองเที่ยวในวัฏจาสสงสารเพราะถือว่ามาท่องเที่ยวนั่นแล้วเป็นของเกา่าโบ่าณเป็นของใหม่ที่เคยได้เห็นได้ยินได้ดม เนื้ถือกินเนื้ถือกรดเนื้ถือโวดทับพะเยีนดหอนอ้อนแข้งความเนื่ความคิดอาบุตรเจ้าสอนให้เบื่อหายนายเมื่สอนให้ค่ายความเมาบ่ให้เป็นคนดื้อสอนให้เห็นโทษในวัฏสงสารยาเต็มทีเลยเสมือนนาของไส้ พิจนาความเกิดเห็นเสมอหนาของไฟพิจนาความแก้เห็นเสมอหนาของไฟพิจานาดินความเก็บหายเสมอหนาของไฟ um พ, พ, พ, พิจนาความตายหาเสมอหนาของไฟส้พิจนาความมีอกพัดผ้าหาเสมอหนาของไฟพิจานาความปัถนาว่าสมหวังหาเสมอหนาของไฟพิจนาดินน้ำไฟล่มหาเสมอหนาของไฟ เรียบวัดจองสองทายผู้ไหนไปเปลนภูไปหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมก็่มันกิเลสตัวเดียวไปหลงดินแต่ว่าเป็นดินน้ำแต่ว่าเป็นน้ำไฟแต่ว่าไฟลมแต่ว่าเป็นลมมุมกยังไหนกิรังอย่างยืนจย่างแนวเกิดว่าเฝ้านาแม่นเห็นหนาเจ้าหลายศาตรหลายภพแล้ว คนที่สวดไปกับแหวมือกัแปลงแงงเห็นหด้อย่างมาออกเลี้ยงออกลายในวัตฏสงสารคนชุดไายกับมิตรตายแหวมือกัแปลงแงงไปทำการมัดวัดโุนิยมเอาไปนํำว่าไรเอาไปนไําได้แต่อุดมคติคือยคิตใจจิตใจกับธรรมะที่รู้ตามเป็นจริงแน่ตอนใดๆปฏิบัติตามจริงเป็นจริงแน่ดอนนั่นลดทนตามข้อมเป็นสงสัยนีน ตามเป็นจริงแน่ตอนนั้นนปัญหาก็เล่น้อยลงปัญหาบาน้อยเพราะเหตุใดเพราะเพิ่ในวัฏสงสารมันหลายปัญหามันก็หลายจ้าเพิ่ในวัฏสงสารบัหลายปัญหามันก็หลายแน่เพิ่มในวัตถุนิยมเพิ่มในเพิ่มในของบรมันบ่มเทียมว่าเป็นของหมันของเทียมเพิ่มในของมัเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตน เพิ่ในของบ่สวยบ่งามอะไนของสวยของงามมีตะหางกระดูกหู ม, มยวงอ่าเต็มไปเลยของบ่สะาดมีประการต่างนี่ในสกนลร่ากายร่างกายกายอะไรพระญาคิตราษนอนเฝ้าอยู่ว่ามีกระเวนเงื่อนาอตอนแรกมันแทงหลงพญาคิตราษสุภศิพโน อ, อ, อูยุยัยยะปัศมุลโลงคนปศอกเสมอเสมอเสมอ โครวามหลงออกเสมอเสมอเสมอรู้เท่าตอนไหนความหลงตอนนัน้นหายไปมาขึ้นมาขวเอีกหายใจออกแกเข่าเรื่ยมันของไม้แล้วของเกา่าของเก่าที่ค่อยหายใจออกเข่ามาแล้วนะนึกคิดเยอะสิมันของไม้แล้วของเกา่าว่าวยอะเดียวนี่มันของไม้แล้วของเกา่าพูดเยอะเดียวนี่เลยแต่คิดต้าสังขารว่าขีสังขาร กายทั้งขารของกอรเกิดค น, นแล้วก็แฝงปวนใหแตกสลายหมดเมืเอ่ใอใตได้อำนาจทังผู้ใดสองพิชชาทำไปจริงหาละวางว่าไม่ได้จึงสิโพหลงหาละวางว่าไม่ได้จึงสีลู่ทำไปจริงหาละวางว่าไม่ได้จึงสิตัดความเพื่อนหาละวางว่าไม่ได้ควบออกเลี่ยงออกไ้ในวัฏสงสารพระอนิยอเจ้าออกเลี่งออกไรในทางสิรุษสิพ้น มูเหาออกเรี้ยงออกไล่เนี่ยทาจะโผล่ข้อเจะของอยู่ในวัฏสงสาลแข้งดิ่แข้งเรียนกันเดี๋ยวนี้มูเห่าแข้งกินแข้งขี่กันเดี๋ยวนี้เพื่อได้กินได้กินร้ายขี่กอไง่ายกินร้ายขี่หลายนอนหลายฝันหลายฝันมาแล้วฝันไปซื้อเหลขกฝันชิบหายตายอฝันชิบฝันหาย พระอรียะเก่าผลฝันพระองค์เเจ้าฝันเ<ม>พื่อผลฝันผนทุกข์เรีว่าตาท้องสารพลฝันมือเงาปล่อยทัวจักรวาลทางเบือขวาก็หอดคลิตะวันคลิดตะนออกหอดจักรวาลขอบจักรวาลตะวันอดอกเมื่อเบืองสายนะเ ม, มื่อเบืองขวากับเมื่อเบือหนึ่งก็ขอบจักรวาลทา้งนึง หัวท่านหนึ่งก็โจดเขาจักกว่านะ <mel dzie ń> ขาท <fired> ข่านหนึ id, ่ง <mel> ก็อจดเขาจักกะว่านะองคเลตัดที่ตัวเองว่าเออแล้วจาไดั้นคนทุกได้มตาท้องสารก็กดั้เป็นพระพุทธเจ้าย่างทังเทนะมัวห้าฝันฝันเสียงงันเสียค่ำเสือเรียกเสือผาชื่อวัดชื่อเบือเออเสือผาไม่ดหมดเทียรควาซ่านหมด มือนีมันมือของผู้ใดโอ๊ยผู้ใดแม่นมือของผู้ใดวันใคจะไปจองไว้เวลาเวลาผู้ใดโอ๊ยใครจองไว้ไม่จะลวงไปลวงไปลวงไปลวงไปเวลากะดีวันกะดีชีวิตกะดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่จะลวงไปมดบือเนี่ยจะตั้งรู้เลยเราอยู่มัดมือลวงไปมัดมือนึกอยู่มัดมือลวงไปอยู่มดมือ เกิดโยมดมือก็ร้องไปโยบดมือร้งองไปเพื่อแกเพื่อแเพื่อตายอ น, นิจจตาควเป็นของไม่เทีย่ยวทุกลตาก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวเธอจะรู้ทำเป็นจริงหรือไม่รู้ก็าตามเธออนัตต า, ตาไม่ใช่ของใครเนอะไม่อยู่ในกำมือของใครร่วมงไปตามกันไม่มีอิสระจะอยู่ในกำมือของคนนั้นคนนี้ แต่ทั้งหลายก็มายึดถือเอาว่าของกูของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลแล้วก็เป็นเหตุเนีเกิดพบเกิดชาโอคาโอคโอคคือสามความกำนัดเป็นโอคค์อันหนึ่งคือสามญาติเพราะโอคะโอคคือพบพบเป็นที่เกิดของสัตว์เพราะสัตว์ยังกำนัดเนี่ยพบอยู่ ทิฏโถะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายความเห็นของสัตว์ทั้งหลายมาตัวเห็นถูกเห็นแมนเห็นจริงกรรมยึดมาถือไว้ก็บเป็นภพเป็นาาชาติอวิชโชะโอคะคืออวิชชาอาวิชชาอวิชชาสี่ไม่รู้ในทุก์ไม่รู้ในทุกภาษาพูไทยไม่รู้ในทุกคณิโรธไม่รู้ในทุกคณิโรดทักษมีนีปฏิปทา บะหูได้ศินสามารถที่ปัญญาบะหูได้ก่วมปฏิวัติออกจากวัฏสงสารแล้วเขาเรียกพ่อข้าใจปฏิวัติออกจากวัฏสงส า, ารยนต์นโมหันต์เขาเรียกว่าอาวิชชาเหมือนกันตัณหาคือความเทยาเที่ในโลกทียงเที่ยงในตาหูจ้ากเลนกายกายพวกนีครั้นพุทธขั้นศินป์นึกเสียสิ่งนี้นเป็นตนหากับว่ากามตัณหา การกำนัตได้ก็เรียกว่าภวะตันหาขัะนั้นไม่พ่อใจกก็เรียกว่าวิภวะตันหาวนเวียนอยู่กิ่งเขื่อนว่ามีเงินเวียนเงินคืนว่ามีเงินต้นเงินปลายอาราชธรรมาราชธรผลพละมาตัดจึงศิรูแจ้งแท่งตลอดได้ร้อยทะเลหลวงห้วนที่คำทะเลหลงคือปัญญากับสติตั้งนั้น เหตุนั้นจึงอาศัยรักเสียนสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขามเมื่อเครื่องขามทะเลลงขามกับขามไม่ได้ห้อยใจนี่ละ่ะขามพ่ายนอกกับอะไรละ่ะสิแล่น้าคว่ำปุงแตงจะคล้องเนี่ตาได้เกิดตาได้เกิดตาได้เกิดกสุตว่าเปลี่ยนเมืองพ่อบ่ม่ในวันตาท้องสารนี่เมื่อพ่อพ่อแม่ มีจะเพื่องเมื่อคัดของต้องการเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเห็นอันนี้อย่างทุกครั้งอนันตตาบรสัตวก็เห็นอะไรสิ่งไหนมันเป็นของบุกเยี่ยงยั่งยืนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งนนปัจจุบันแล้วเกิดเปลนแปลงเปลีนและแตกสลายหาระว่างบาาไ่ได้แล้วเลยเพิ่มเทย์ย่าเทย่าในโรกมัก็เชม่าจะได้ปรกตูใดอีกก็เรา ก, ก็เดียวเดี๋ยวนี้ลูกก็ว่าเพื่อปันน้าให้เป็นตัว อุปมาคือสายไฟแล้วก็แล้งน้ำไฟสายทานเมืแล้วใส่เอทแกล้งน้ำแสงพระอาทิตแกล้งน้ำแสงมืดแรงนักคว่มนักคว่มขีดจะของเพราะยังยึดบันถือบันคว่มนักก็ขิดจะของสัตว์ทำไมจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงแลดูลูกสัตว์ทั้งหลายทําไมจึงมีหู พรกสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงอันไพเราะสนโอษฐ์มีเสียงร้องเพลงเป็นต้นหรือเสียงลำเป็นต้นไม่ใช่เสียงธรรมเสียงธรรมไม่จัดเขา้าสัตว์ทั้งหลายทําไมจึงมีกลิ่นสัตว์จึงมีจมูกก็เพราะสัตว์ชอบดมกลิ่นกลิ่นหอมเช่นดอกไม้เป็นต้นสัตว์ทำไมจึงมีลิ้น พระสัตว์ทั้งหลายชอบเลี่ยมรสเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวที่ถูกกับกเกลียของตนสัตว์ทำลายทำไมจึงมีกายพระสัตว์ชอบสัมผัสกับกายเช่นห่มผ้าเป็นต้นเช่อนอาบน้ำเป็นต้นเช่นถูกของนุ่มๆเป็นต้นผลสะพะผลสะพะที่เป็นโทษมาก ก็คือโผฏฐะผู้หญิงกับโธฏฐะผู้ชายกระทบกันในสวนกายสัตว์ทั้งหลายทําไมถึงมีธรรมารมถึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกชอบคิดส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วท่านเบื่อตาท่านท่านเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจเบื่อทั้งภายนอกและภายในด้วย ท่านไมยึดถือว่าเราเป็นตาตาเป็นเราเมื่ได้ยึดถือว่าหูเป็นเราเราเป็นหูไม่ไดยึดถือว่าจมูกเป็นเราเราเป็นจมูกไม่ได้ยึดถือว่าลิ้นเป็นเราเราเป็นลิ้นไม่ได้ยึดถือว่ากายเป็นเราเราเป็นกายเมื่ได้ยึดถือว่าใจเป็นเราเราเป็นใจเมื่อไม่ยึดถือว่าเราเป็นใจใจเป็นเราหรือไม่ยึดถือว่าเราของเรา ก็ไม่ยึดถือผู้อื่นของผู้อื่นเองก็มีแต่สังขารล้วนๆปัญหาทั้งหลายก็แตกกระเด็นไปยินญามปฏิสนธิที่จะไปสนธิเกิดทบใหม่ของท่านก็ไม่มีใครบรรดาให้สังขารเกิดขึ้นและแปรปวนและดับไปไม่มีใครบรรดาสังขารเท่านั้นหากเป็นเองของสังขาร พรพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาก็เป็นอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระิพ涅槃แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยทิ้งไว้ในโลกผู้ที่มาภายหลังก็มาหลงกันอยู่นี่หลงอันนี้จังว่าเป็นของเที่ยงหลงทุกข์ังว่าเป็นสุข หลงอนัตตาว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือสกลละร่ากายเหตุด้านจึงให้มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอยู่ที่สกลละร่กายจ้องดูอยู่เพื่อให้เห็นมันความจริงชัดลมเข้าละยาวก็ให้รู้จักอารมณ์เข้ายาวลมออกสั้นก็ให้รู้จักอารมณ์ออกสั้น ลมหยาบก็ p, ให้รู้จักว่าลมหยาบ